ด้วยมูลเหตุก็คือจะเล่าเรื่องที่พระบระมาศา ส, สดาเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะนะแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะนะก็จะกล่าวถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในวันอาสารหาบูชาเนะี่ยวันอาสารหาบูชาเนะี่เป็นวันขึ้นส5บห้า่ำเดือนแปดใช่ั้ยวันนั้นเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันคล้ายวันเกิดขึ้นแห่งสังฆรัตะนะในโลก ที่กล่าวเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่าก่อนจะกล่าวไปถึงในการแสดงธรรมจักรกับปรวัฒนสูตรนั้นนะนะย้อนกลับมาหน่อยก่อนจะถึงวนันอาสานหบูชาเนี่ยในอัตกถาโพธิกถาเนี่ยนะท่านแสดงในเรื่องของในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับในในการตัตรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระบรมศ า, ศาสดาตัตรู้นุตตะสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ย ทีนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านะั้นน่ะพระไทยก็น้อมไปเพื่อขวัญขวายน้อยเพราะเหตุอะไรพระพุทธเจ้าตั้งปาฏนารไว้ว่าใช่บอกว่าเราพ้นแล้วจากยังบุคคลอื่นให้พ้นเราข้ามได้แล้วจากยังบุคคลอื่นให้ข้ามเนี่ยประโยชน์อะไรว่าด้วยการทำให้แจ้งซึ่งธรรมในโลกนี้ได้เพศที่คนอื่นไม่รู้จักแกเราเราบรรลุความเป็นสัพพัญญูแล้วจากยังมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้ข้ามไป ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วจึงได้บรรลุสัพพัญญตยานถ้าถามบอกว่าทําไมพระบรมศาสดาตัสรุนุตรสสมมา ส, สัมโพธิยานเสร็จปุ๊บเนี่ยทาไมพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ขวนขวายน้อยที่จะไม่โปรดสัตว์พระพุทธองค์ใช้คําว่าพระองค์ท้อพระไทยเนี่ยไม่ขวนขวายในการที่จะโปรดเวนยัยสัตว์ในข้อนี้ก็บอกว่าจริงอย่างนั้นก็ว่ากั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงน้อมพระไทยไปอย่างนั้นด้วยอยํานาจแห่งการพิจารณา คือเมื่อพระองค์พิจารณาดูแล้วเนี่ยคำธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งมากยากที่สัตว์ที่มีทุลีในดวงตามากๆนั้นจะสามารถตรัสรู้ตามได้เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้านะัทรงบรรลุสัพพัญญตญาณแล้วก็พิจารณาความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีรกชัดด้วยกิเลสชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกนี่นะและความที่พระธรรมเป็นสภาพที่ลึกซึ้ง ความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีรกชัดด้วยกิเลสและความที่พระธรรมนั้นเป็นสภาพที่ลึกซึ้งก็ได้ปรากฏด้วยประกาศและทางปวงคือพิจารณาในแง่ใดมุมใดเนี่ยก็เห็นสภาพที่ลึกซึ้งโดยอัดลึกซึ้งโดยเทศนาเนยเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อพระองค์ดําริอยู่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้เต็มไปด้วยกิเลสความเศร้าหมองอย่างยิ่งถูกราคะย้อมแล้วอย่างนั้นเน่ยคือในทุกๆอารมณ์เนี่ยนะ สัตว์เหล่านั้นนะี่น้อมไปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นผู้ที่มีราคะปกปิดโทกโทสะปะัสสายถูกโมหะคือความรุ่มหลงในหุ่มหอ่อเหมือนอย่างน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยน้ำข้าวเหมือนอย่างกระบวยที่เต็มไปด้วยเปรียงเหมือนอย่างผ้าที่ซับด้วยน้ำมันเหลวและเหมือนอย่างมือที่เปื้อนด้วยยาหยอดตาเนี่ย สัตว์เหล่านั้นจะแทงตลอดซึ่งสัตว์ระทซึ่งอะไรเล่าเลยพระไทยจึงน้อมไปอย่างนั้นแม้ด้วยอนุภาพแห่งการพิจารณาด้วยความรกชัดด้วยกิเลสเป็นต้นเหล่านั้นนะพอพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตใจก็ขวัญขวายน้อยแล้วพระไทยนั้นพึงทราบว่าน้อมไปอย่างนี้แม้ด้วยอนุภาพแห่งการพิจารณาพระธรรมอันเป็นสภาพที่ลึกซึ้งข้าถามบ อ, อกว่าพระธรรมนี้ลึกซึ้งเหมือนอย่างห่วงน้ํารองแผ่นดินน่เห็นได้ยาก เหมือนอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่ภูเขากลบตั้งเขาไว้ก็หมายความว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยนะเล็กอยู่เล็กอยู่แล้วใช่ไหมย่างทูภูเขาตั้งปิดเขาไว้อีกการที่จะบอกให้สัตว์ทั้งหลายรู้ว่าในในในดินที่ลึกที่ภูเขาปิดบังอยู่นะนะั้นมีเมล็ดผักกาดเนี่ยนะสัตว์ที่มีความขวนขวาย หรือความเพียรพยายามต่ำๆเนะยากนักที่จะรู้ถึงได้จะรู้ทั่วถึงได้ละเอียดเหมือนปลายขนทรายที่แยกออกเป็นร้อยส่วนก็ชื่อว่าทานที่เราพยายามจะแทงตลอดทำนี้มไม่ได้ไม่ได้ให้นะไม่มีชื่อว่าศีลที่ไม่ได้รักษาก็ไม่มีชื่อว่าบารมีอะไรอะไรทั้งหลายที่บำเพ็ญก็มิได้มีเมื่อเรานั้นนะนะแม้กำจัดมารและพลมามเนะี่ย เหมือนอย่างหมดอุตสาหาปะปัตพีนี้ก็หวั่นไหวแม้เราร ะ, ะลึกถึงปุเพนิวาสานุสติยานในปฐมยานเนะี่ยปัตวีก็หวั่นไหวร ะ, ะลึกถึงปุเพนิวาสานุสติยานนะตอนนั้นนะ่ะแผ่นดินหวั่นไหวเอาแบบนั้นเลยแม้เราชำระที่ประจกักรุในมัชชิมยามคือยามกลางเนี่ยปตัตพีนี้ก็หวั่นไหวแต่เมื่อเราแทงตลอดปฏิจจสุบาทในปัชชิมยานนั่นแหละหมื่นโลกธาตุหวั่นไหวแล้วทีนี้ แม้คนเช่นเราได้แทงตลอดธรรมนี้โดยโดยายานอันแหลมคมด้วยประการชนี้พวกโลกิยะมหาชนจากแทงตลอดธรรมนั้นได้อย่างไรเล่าก็ก็นาดเราเนี่ยขวนขวายมาเนี่ยสร้างบา ร, รมีมานะ่ทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมมาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีเนวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานะเมตตาอุเบกข า, บ, รรปป า, าบารมีเนี่ยทั้งอุปปารามีปรมัตถบารมีเนี่สามสทัศมาต้องเสียสงไข ย, ยิ่งโดยแสนกลับเนี่ยนะื ระลึกปุปเพนิวาสานุสติญาณในปฐมญาณแผ่นดินก็วันไหวระลึกทิพจกักขุญาณในมชิมยามแผ่นดินก็วันไหวพิจารณาปฏิจจสมุบาทิแทงตลอดในปฏิจจสมุบาตเนี่ยหมื่นโลกธาตุก็วันไหวเพียรพยายามอุตสาหะถึงเพียงนั้นจึงได้ตัตตุลโณตระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพวกโล ก, กียมหาชนเนี่ยชนที่อยู่ในภูมิทั้งสมที่อยู่ในการปรภูมิรูปภูมิรูปภูมิเนี่ยนะจากแทงตลอดธรำเหล่านั้นได้อย่างไรเน แม้เมื่อพระพรหมเมืม่อเมื่อดำลิในลักษณะอย่างนี้พรหมและรัตนานั่นเองพรหมที่ลัตนาในชื่ออะไรนะท้าสหามบดีพรหมใช่ไหมที่บอกว่าคําพูดของพระพุทธเจ้าบอกเรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุแล้วโดยยากเพราะธรรมนี้อันสัตว์ผู้มีราคะและโทสะครอบงําไม่ตัดสู้ได้ง่ายสัตว์ผู้อันราคะยอมแล้วถูกกองอวิชาห่อหุ้มแล้วจักไม่เห็นธรรม อันละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเห็นละเอียดยิ่งนักอันจะยังสัตว์ให้ถึงธรรมที่ทวนกระแสคือพระนิพพานยากนักนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้พระไทยก็น้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อจักแสดงธรรมนี่นะทีนี้ในต่อมาเนี่ยท้าสหามบดีผมก็เกิดปริวิตทิตกแล้วบอกว่าจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะด้วย เกิดปริวิตกว่าชาวเราผู้จเจริญโลกจากชิปหายแล้วน้อยไอย้คิดเนี้ยนะโลกจากวินาศแล้วเพราะทัศคติอรหันต์ตสำมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระไทยไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่น้อมพระไทยไปเพื่อที่จักแสดงธรรมลำดับนั้นเท้าสามาดีพรหมได้หายจากพรหมโลกมาปรากฏนะเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าดรผู้มีกําลังปานกลางคู่แขนเข้าแล้วก็เหยียดแขนออกนั้น ขันแล้วก็ห่มพาอุตลาสง์เฉลียงบ่าคุกชานุมนทนเบื้องขวาลงกับพื้นดินคุกเขานะปนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมขอพระสุคตโปรดแสดงพระธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจําพวกที่มีทุลีในจักสูน้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีวังนั้นเมื่อก่อนธรรมไม่บริสุทธิ์คนมีมนทินทั้งหลายคิดแล้วได้ปรากฏในมนมคตชนบทขอพระองค์ได้โปรดเปิดเผยประตูอมตะธรรมนี้ขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดมนทินตัตูุแล้วตามลําดับปเปรียบเสมือนบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนยอดภูเขาซึ่งล้วนแล้วด้วยศิลาพึงเห็นชุมชน ได้โดยรอบชั้นใดข่าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีพระปัญญาจักสู่รอบครอบขอพระองค์ผู้ปสาสจากความโศจงเสด็จขึ้นสู่ปราศาสตอันสําเร็จด้วยธรรมแล้วทรงพิจารณาชุมชนบึกเกลื่อนกล่นด้วยความโศกผู้อันชาติและชาลาครอบงามแล้วมีอุปมาิชันนั้นเถิดข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรทรงชนะสงครามผู้นําหมู่หารมิได้ ขอพระ อ, องค์ทรงอุตสาหะเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมเพื่อสัตว์ผู้รู้ตัวถึงธรรมจักมีเืองนินอันนี้แสดงถึงว่าเมื่อพรมทูลราชนาแล้วพระไทยของพระผู้มีภาคเจ้านั้นก็ น, น้อมว่าแม้ด้วยความเป็นผู้ไข่จักแสดงธรรมพระพุทธเจ้าเนะ่ยย่อมทรงทราบว่าจิตใจของเรานะ่ยน้อมไปเพื่อข้นขวายน้อยเท้ามาหาพรมทูลราชนาเพื่อจักแสดงธรรมเนี่ยสัตว์เหล่านี้เป็นผู้เคารพพระพรมนะ่ย แล้วก็สําคัญในว่าพระศาสดาเป็นผู้ไขจักแสดงธรรมถ้ามหาภรหมทูลและราตนาพราะองค์ให้แสดงชาวเราทั้งหลายพระธรรมเป็นธรรมมันปราณีสงบนอ้อก็จักตั้งใจฟังได้ดีพึงทราบอันสาเหตุนี้พระไทยของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงน้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่ใช่น้อมไปเพื่อจักแสดงธรรมคําว่าขวนขวายน้อยในที่นั้นเพราะว่าวัตถุประสงค์พระพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใครราตนา เพื่อให้พรมมาราตนาะเพราะว่าสหัมวดีพรมเนี่ยนะคนในยุคนั้นเขาศรัทธาพระพรมก็พระพรมมาราธนาะพระพุทธเจ้าใช่ไหมเมื่อราตนาพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสัตว์เหล่านั้นพอ ร, รู้อย่างนี้แล้วก็น้อมจิต ท, ที่จับฟังว่าทำคําว่าท้าสหัมบดีพรมเนี่ยคนที่ศึกษาพุทธวัติแต่ตอบตรงนี้ไม่ได้ในยุ่งนี่เน่ยใช่ไหมเท้าสหัมบดีพรมเนี่ยเป็นพระเถระชื่อว่าสหากะ ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะใช่ไหมท้าสามบอดีพรมในองค์ปัจจุบันเนี่ยองค์ที่มาทูลรัตนาเนี่ยแล้วต่อมาท่านยังบัตถมชาญให้เกิดขึ้นได้บังเกิดเป็นพรหมมีอายุได้กับหนึ่งในชั้นปัตถมัชฌานภูมิคนทั้งหลายก็รู้จักพระพรหมนั้นในชั้นบัถมชฌานภูมิว่าเป็นสามวดีพรมทีนี้ท่านพระอุบาลีเนี่ยหมายถึงพระพรหมนั้นน่ยกล่าวว่าสามบดีพรมคําว่า จากที่หายแล้วหนาะได้ยินว่าเท้าสามดีพรมนั้นนี่ยได้เปล่งเสียงโดยประการที่พรมในหมื่นโลกธาตุได้ฟังแล้วก็มาชุมนุมกันหมดคือเท้าสามดีพรมเนี่ยเวลาท่ันตะกรเสียงอย่างนั้นเน่ยดังไปหมื่นโลกธาตุเพราะพรมมาประชุมกันนี่ยนะสัตว์เหล่านี้มีน้อยคือนิดหน่อยเพราะมีสภาพบาดเหตุนั้นน่ยนะไอ้คําว่า ธุลีในจักสุนะพึงเห็นความในเขาว่าธุลีคือราคะเป็นต้นของสัตว์เหล่าใดน้อยสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีธุลีในสัตว์ในจักษุนั้นน้อยเป็นสภาพคําว่าธุลีนั้นคืออะไรคือราคะใครที่มีราคะในใจน้อยสัตว์เหล่านั้นเขาเรียกว่ามีธุลีในจักสุนิดหน่อยธุลีราคะเป็นต้นของสัตว์เหล่าใดมีน้อยสัตว์เหล่านั้นมีมีธุลีในจักษุเป็นสภาพ อีกอย่างหนึ่งทุเรีในจักสูตรน้อยเป็นสภาพเนี่ยนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งถามบอกว่าท้าสหบดีพรมแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้กระทําบุญญาธิการไว้ด้วยอํานาจแห่งบุญสิ ป, ประการในพุทธศาสน์ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยหวังการแสดงธรรมควรที่จะก้าวลงสู่อริยภูมิในที่สุดแห่งคาถา4บาทนะ่ยมีอยู่เนี่ยสามารถที่จะรู้ทั่วถึงธรรมจักมีหลายแสนไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่2เหมือนดอกประทุมถึงความแก่รอบ อาศัยรัศมีของพระอาทิตย์ฉะนั้นคือดอกบัวเนี่ยนะอาศัยอะไรอาศัยแสงพระอาทิตย์ก็จะสามารถบานขึ้นมาได้ฉั้นใดสัตว์ทั้งหลายที่สร้างทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มาบรบารมีปัญญาบา ร, รมีในพระพุทธเจ้าองค์ก่นกอนๆนนะมีอยู่มีอยู่นะที่มีทุลีในดวงตาคือราคะนิดหน่อยนะ่มีอยู่ก็จะเสียประโยชน์ก็จะเสียหายถ้าไม่ได้ฟังวระธรรมเทศนาของจากพระผู้มีพระภาคเจา้า พรมใาสาอนุเคราะห์ตรงนี้เนื้อสามวดีพรมยึงอารัตนาขอให้พระเจ้าอยากควนขวายน้อยเธอโปวดได้สแสดงธรรมเธอว่ามันน่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะเกิดวิบัติกันใหญ่แล้วว่างั้นคนมีมนทินทั้งหลายคิดแล้วว่ า, าศาสดาทั้ง6เนี่ยนะปุรณาคัสปะมคคาริโคสาละอชิตาเกตกรรพลเป็นต้นเนี่ยนะครูทั้งหผู้มีมนทินคิดแล้วาศาสดาคือครูทั้งหนั้นเกิดขึ้นมาก่อนได้สแสดงธรรมคือมิจฉาทิฏฐิ เหมือนกันแผ่ไปในหน้ํานะ่นะเหมือนกับแผ่ไปในหนาและเหมือนกับราดลดด้วยยาพิษลงไปในชมพูทวีปทั้งสิ้นนั้นาศาสดาคือครูทั้ง6หรือาศาสดาทั้ง6เหล่านั้นนะ่ะได้เกิดอัศจรรย์ด้วยได้ยินพุทธโกลาหนก็ยังลวงโลกตั้งอยู่ในความเป็นผู้หลอกลวงปฏิญญาณตนว่าเป็นสัพพัญญุแสดงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นธรรมอะไรเลยว่าเป็นธรรมเนี่ยนะ ขอพระ อ, องค์โปรดเปิดประตูงั้นนะบอกว่าอีกในยะหนึ่งเนี่ยที่สามบดีพรหมราชนาบอกว่ามิจฉาทิฏฐิคือครูทั้งหน่ยมีอยู่คือมัคคิเรียโคสาลออชิตาเกตกัพลสัญชัยเวระพระบุตรปักกุฏาจายณนะนนนยนเนี่ยนะนี่คนนาตบุตรนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้ประกาศมิจฉามาัสมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะทั่วชมพูทูอยู่เลยว่างั้นเด ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เปิดประตูแห่งอมตะธรรมเนี่ยนะเรามิจฉาทิฐิก็จะเต็มชมพูสวีปเลยบอกงั้นเถอะคือถ้าเปิดประตูอมตะธรรมได้แก่อริยมรรคอันเป็นประตูแห่งอมตะธรรมคือพระนิพพานเนี่ยนะขอให้พระองค์ทรงเปิดคือจงเปิดเผยแหวกประตูใหญ่แห่งพระนครคือพระนิพพานอันได้ อันได้แก่อริยะมัทที่เปิดมาแล้วจําเดิมแต่ศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านามว่ากัสปะอันตรธานไปว่างั้นด้วยพระหัตคือด้วยพระธรรมเทศนาบอกว่าพระกัสปะสามมาสัมพุทธเจ้าน่ะเปิดอมตะธรรมคือพระนิพพานน่ะนะในสมัยของพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, นู้นเนี่ยพอพรมทันเนี่ต่อมาประตูนั้นน่ะปิดอีกแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็พากันมืดบอดหมดเลยว่างั้นเด้อ ยิ่งมาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยนะถ้าหากเป็นผู้ขวัขวายน้อยไม่ประกาศพระสัตธรรมพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็จะมีกำลังแข็งแรงมากขึ้นประการต่อมาก็คือจองฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดมนทินตัสรูแล้วตามลำดับท้าสหัมบดีพรมทูลนราธนาวะข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงฟังธรรมคือสัจจทั้งสีคือทุกนะ สมุทยัยนิโรธมากเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าหมดมนทินเนี่ยเพราะไม่มีมนทินมีราคะโทสะโ ม, มหะตัสรู้แล้วโดยลําดับก่อนแล้วก็บอกภูเขาที่ล้วนแล้วด้วยศิลาเป็นของสูงและมั่นคงไม่ใช่ภูเขาดินนะภูเขาที่ละคนด้วยเหตุนั้นท้าสามบาดีผมจึงกล่าวว่าเปรียบเสมือนบุรุษเนี่ยยืนอยู่บนยอดภูเขาล้วนแล้วก็ด้วยศิลาเปรียบเสมือนบุรุษยืนอยู่บนยอดภูเขา แล้วด้วยศิลาเป็นแท่งทึบก็ไม่มีกิจเป็นต้นว่าเงันคอและเฉเง้อคอเพื่อจะดูคนอื่นที่อยู่ในที่นั้นคําว่ามีอุปมาฉันนั้นเถิดคือมีส่วนเปรียบด้วยภูเขาได้แก่อุปมาด้วยภูเขาแล้วด้วยศิลาปราสาทอันสําเร็จด้วยธรรมท้าสามบดีพรมกล่าวถึงโลกุตละธรรมนะโลกุตละธรรมนั้นนํามาซึ่งความเลื่อมใสโดยประกาศรทั้งปวงเหมือนปราสาสตร สูงขึ้นไปเลยทําทั้งปวงทําว่าทำมาศเนี่ยนะเออถ้ามาพิจารณาอย่างนี้บัณฑิตขึ้นสู่ปราสาทคือปัญญาไม่มีความโศกย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้มีความโศกนักปราดพิจารณาเห็นคนพานเหมือนบุคคลผู้อยู่บนภูเขามองเห็นบุคคลผู้อยู่บนพื้นราบเช่นั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เหมือนอยู่บนภูเขาศิลา แล้วก็มองลงมาในพื้นลาบก็เห็นโลกียมหาชนคือคนพานทั้งหลายเนี่ยนะคือคนที่มืดบอดทั้งหลายควักควายเต็มไปหมดเน่ยนะวิ่งไปตามกระแสของกิเลสเน่ยนะถูกถูกใครจูงไปถูกมารต้องขนขาขาดก็ก็ยังนขนไหวนะขนาดขาขาดมือขาดนี่นะไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมแพ้สังเกตไหยคุณยอมแพ้สังเกตนะขาขาดเอาสู้ชีวิตไปว่ามาสู้ชีวิตไป ถูกใครลากคอไปไหมถูกตันหาลากไปถูกพยามารลากไปพยามารก็เอาบ่วงลอกเอาไว้เนี่ยเอาที่อยากได้อยากได้บ่วงอยากได้รูปเสียงกินรสเนาะทยานอยากไปบ่ากระเสือกกระสนไหมว่า ง, งั้นกระเสือกกระสนไปดิ้นรนไปเนี่ยคนมีปัญญาคือในดวงตาน้อยเนี่ยมองเห็นอะไรก็ความอยากก็ครอบงาหมดนะ บุรุษผู้มีจักรสูยืนอยู่ตามปกติบนยอดเขาซึ่งล้วนด้วยศิลาพึงเห็นหมู่ชนโดยรอบชั้นใดค่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เมตาดีผู้มีตาดีผู้มีปัญญาดีผู้มีจักรสูรอบครอบด้วยสัพพัญญุตยานแม้พระองค์โปรโดขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมและสำเร็จด้วยปัญญาเป็นผู้ปราศจากความโศกด้วยพระองค์เองจงทรงพิจารณาจงไข่ควรจงมองดูโดยรอบเธอทั้งนะั้น ซึ่งหมู่ชนผู้เกลื่อนกล่นไปด้วยความโศกเนี่ยถูกชาติชรามรณะครอบงำฉันนั้นเหมือนกันวันนั้นบอกว่าโอ้โหอย่าขอให้พระองค์อย่าได้นขนไถ่น้อยเลยสัตว์โลกทั้งหลายเต็มไปด้วยความโศกเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีความโศกเป็นธรรมดาแล้วก็กําลังแสวงหาความโศกกันอยู่เนี่ยนะมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็กําลังแสวงหาความเศร้าหมองกันอยู่เนี่ยมีสังกิเลตเป็นธรรมดาก็กําลังแสวงหาสังกิเลตกันเต็มไปหมดเนี่ยนะ ถูกความโศกถูกความเศร้าหมองถูกชาติคือความเกิดถูกชราคือความแก่คอบงามกับดิ้นรนกระเสือกกระสนกันอยู่เนี่ยทุกทรมานกันอยู่อย่างนี้ว่ังนั้นเดี๋ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระมหากรุณาที่คณน้อมเหลียวดูสัตว์โลกที่จะพ้นจากกองทุกข์นีอยู่วั ง, งั้นเปรียบเสมือนคนทั้งหลายได้ทำนาทุ่งใหญ่ไว้โดยรอบที่เชิงเขาสร้างกระท่อมไว้ที่แถวคานาเชิงนั้น แล้วก็พึ่งก่อไฟในตอนกลางคืนและด้วยความมืดอันประกอบไปด้วยองค์สีพึงมีเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อบุรุษผู้มีจกักรสูยืนอยู่บนยอดเขานั้นมองดูพื้นดนนินนาก็ไม่ปรากฏแถวคันนาก็ไม่ปรากฏกระท่อมก็ไม่ปรากฏพวกคนที่นอนอยู่ในกระท่อมนั้นก็ไม่ปรากฏเพราะความที่ไฟไม่โผงขึ้นชั้นใดเมื่อพระตถาคตขึ้นสู่ปราสาสตคือพระธรรมมองดูสัตว์นั้นทั้งหลายสัตว์เหล่านั้น สัตมน์ใดผู้ไม่ได้กระทําความดีไว้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแม้นั่งอยู่ข้างพระชานุเบื้องขวาในวิหารเดียวกันก็ไม่มาสู่คลองแห่งพุทธจักรสุขเข้าใจคํานี้ไหมคือต่อให้จับชายจีวรของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้สร้างบุญบรารมีเข้าไว้เนี่ยสัตว์โลกเหล่านั้นก็ไม่เข้าสู่คลองพุทธจักสุขของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ เยอะแยาไปหมดใช่ไหมในขณะที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่นาที่ตรงไหนพวกมดปลวกมีเยอะไหมสัตว์เหล่านั้นนะ่ะไม่อยู่นะ่ะไม่เข้าสู่คลองของพุทธจักสู่หรอกและหนึ่งในจํานวนนั้นมีเราอยู่ด้วยนะอย่าลืมนะรอดพุทธจักสูรรอดสมันตายจักสู่ของพระพุทธเจ้าได้นะพระพุทธเจ้านี่จะตรวจขายพยานาใช่ไหมทั้งตอนเช้าทั้งตอนคืนในะตวัวตั้งสองตัวละสองรอบหลุดเลยเรา ไม่เข้าในขายพยานเลยนะยอมตกวัาไงหลุดเลยเลยมองไม่เห็นเออเอาใหม่ตั้งใหม่ตั้งบา ร, รมีใหมต่ต่อไปต่อไปต้องต้องเปิดเผยตัวเองให้มากนะเนะยต้องเปิดเผยตัวเองให้มากตรวจศีลตรวจเลยกันให้มากเพราะความที่ไม่โพรงขึ้นด้วยไฟคือยานนะและเพราะความที่เป็นผู้ไม่มีโอลานไม่โอลานเนี่ยย่อมเป็นเหมือนลูกศรที่สัตว์ไปในกลางคืนเนะี่ย ผิดเป้าส่วนสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดได้กระทาความดีไว้เป็นเวในยบุคคลเนื้อสัตว์เหล่านั้นนั่นแหละอยู่ใกล้พระบรมศาสดาแม้อยู่ไกลพระต ถ, ถาคตก็ย่อมมาสู่ครองแห่งพุทธจักสุและความเป็นผู้โ พ, พลงขึ้นโดยพร้อมและเป็นผู้มีไฟคือญานะนะแก่ก้าเพราะความที่เป็นผู้มีสันดานอนุรานเปรียบเสมือนไฟดวงนั้นและเปรียบเสมือนภูเขาหิมพาน ก็เหมือนกันฉันนั้นข้อนี้สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์บุรุษย่อมปรากฏได้ในที่ไกลเหมือนภูเขาหิมะวันอาสัตบุรุษคือคนบาปทั้งหลายแม้นั่งแล้วในที่นี้ก็ย่อมไม่ปรากฏเหมือนลูกศรที่บุคคลยิงไปแล้วในเวลากลางคืนฉะนัน้นั้นถ้าคนชั่วคนบาปนาเนี่ยนะสัตบุรุษทั้งหลายเนี่ยนะต้องให้อยู่ติดชายจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าองค์น โอ้น่าคิดนะเนี่ยท้าสหัมบดีอมก็กราบทูลราราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทรงแสดงธรรมเทศนาเนะีเพราะว่าขอพระองค์เสด็จลุกขึ้นจากความเป็นผู้ท้อถอยพระไทยทรงทรงถึงความหมดถูกล่าวคือความเป็นผู้ขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมเทศนาว่าน้นพระผู้มีพระภาคเจ้านะั้นทรงเป็นผู้มีพระวิริยะคือสมมติประธานสีอันวิเศษทรงพระนามว่าเป็นผู้ชนะเด็ดขาด ซึ่งเทวปุตตมานมัจุมานกิเลสามานอภิสังขารลามานใช่ไหมเป็นสัตวะหะเป็นผู้สามารถยังสัตว์ให้ถึงพร้อมซึ่งธรรมะอันเกษ ร, รกล่าวคือพระนิพพานด้วยเป็นผู้สามารถยัยงเวนยัยสัตว์จากกันดารมีชาติกันดารเป็นต้นแล้วก็ชื่อว่าเป็นอนันนะด้วยเป็นผู้ที่ไม่มีนี่เอาใครมีนี่บ้างเนี่ยใครมีนี่คําว่านี้ในที่นั้นเป็นชื่อของกามฉันทะ คนที่มีการมาฉันท่าเน่ยเขาเรียกว่าบุคคลนั้นมีนี่บุคคลใดกู้หนี้ของคนอื่นแล้วทําให้เขาพินาศไปบุคคลเหล่านั้นแม้ถูกเจ้าหนี้เหล่านั้นคุกคามว่าจงใช้หนี้แม้ถูกเจ้าหนี้พูดหยาบแม้ถูกเจ้าหนี้ข่มขี่แม้ถูกเจ้าหนี้ฆ่าย่อมไม่อาจจะโต้ตอบอะไรได้ย่อมอดทนทุกอย่างเพราะว่าหนี้นั้นเป็นเหตุแห่งความอดทนของเขาฉันใดบุคคลใดยินดีในการมาฉันทะในวัตถุ คือรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะย่อมถือเอาวัตถุนั้นด้วยความถือเอาด้วยตัณหาบุคคลนั้นแม้ถูกเขากล่าวหยาบถูกคมขีถูกฆ่าก็ไม่อาจจะโต้อตอบอะไรได้ย่อมอดทนทุกอย่างเพราะว่ากามาฉันทานั้นเป็นเหตุแห่งความอดทนของเขาเหมือนหญิงทั้งหลายที่ถูกเจ้าของเรือนเบียดเบียนอยู่ฉะนั้นกามาฉันทะเปรียบเสมือนนี่เปรียบเสมือนนี่มีนี่ไหมเนี่ย กา ม, มาบวกฉันทะนะชันราคะที่มีกําลังอย่างรุนแรง mm hmm. ก็เรียกว่าการ ม, มาชันทะ mm hmm. เราไปกู้หนี้อยู่ เ, เรื่อยพอเห็นทีไรก็เกิดราคะใช่ไหมเอาแล้วเป็นหนี้อีกแล้วเป็นหนี้อยู่ล่ําบะเนี่ยคนเป็นหนี้เอาสิบางทียอมเขาด่าเขาว่าก็ทนแล้วเนะยเพราะอะไรเพราะเราเป็นหนี้เขามันอยากได้อะใช่ไหมยอมยอมเหนื่อยไหมอ่ะ ทำงานสายตัวแทะขาดเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อวัตถุกรรมใช่ไหมเนี่ยเอาที่ดิ้นปะคนขวา้าไปพยายามไปอ้างเหตุผลสารพัดแล้วใช่ไหมแต่ไอ้จริงก็คือคนเป็นหนี้อ่ะก็ทนไหมทนอย่างคนเป็นหนี้ไม่ไม่โล่งใจหรอกคนเป็นหนี้ไม่โล่งใจนี่เป็นอย่างนี้นะเม้ไปเจอเดี๋ยวไปไปพ ไ, ไ, ไปถึงทุกข์คณิโรด่ะเนี่ยพระนิพานเนี่ยคําว่าคําคว่านี้แปลว่าพ้น โรธานะแปลว่าคุกโรธะนี่คือคุกในสังสารวัตรนะนี่โรธะนี่คือพ้นจากคุกนะฮะนี่จะแปลแบบแปลแบบไม่เกรงใจใครก็ว่าแปลแบบดีกาเนะีดีกาก็แปลงก็แปลก็แปลอยคุกในสังสารวัตร น, นี่น่ากลัวมากเพราะเราติดคุกกันออกจากคุกไม่ได้เป็นหนี้แล้วยังไม่พอเนะยยังแถมติดคุกเขาอีกมีคนก็ถูกจับไปล่ามโซ่ถามพระพุทธเจ้าใช่ไหม บอโอ้ยท่านบุญนั้นโดนจับติดคุกล่ามโซ่พระพุทธเจ้า อ, อดูก่อนบิกษูทั้งหลายคุกที่เธอเห็นกันนี่มันไม่น่ากลัวล็อกแต่คุกคือสังสารวัตรที่น่ากลัวยิ่งกว่า น, นั้นด้วนั้นเลยนะไอ้ที่คุกติศคือการจองจําอย่างนี้ไม่เรีย ก, กว่าการจองจําในพระธรรมวินัยนี้อยู่งั้นนะแต่การจองจําในพระธรรมวินัยนี้คือการเวียนตายเวียนเกิดกันยังไม่มีที่สิ้นสุดนี่นะ ทุในสังสารวะที่ออกจากชาติที่ทุกชราทุกข์วรณาทุกข์ไม่ได้นี่แหละมันน่ากลัวเหมือนกนน่ะพูดไปพูดมาบอกไม่เป็นอะไรแล้วเราฟังได้เหมืกัน <c oughs> คำว่ามารอาการทูลาลาธนานะการที่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพปราถนายิ่งเจะจงประโยชน์ที่สําคัญชื่อว่านะอัชเชส น, นาการทูลนาลาธนาการทูลรัตนาโดยใจความก็คือการขอร้อง น, นั่นเอง พุทธจักสุได้แก่อินเทียปโรปริยัติยานและอาศยานุสยญาณ น, นะชื่อว่าพุทธจักสุอินเทียปโรปริยัติยานก็คือว่าพยานที่รู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้ามองปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีเลยศัทธาวิริยสติสมาธิของปัญป ญ, ญาของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยอาศยานุสยญาณอาศยานุสยญาณพยานที่รู้อนุใสรู้อัธยาศัยของสัตว์ บางทีถ้าเราบอกว่าพระพุทธเจ้าสามารถรู้ว่าท่านผู้นี้มีราคะนะมีมีโลพัทยาใสาโธสัตยาใสาโมหัตยาสายัยอโลพัทยาสายัยอโทสัตยาสายัยอโมหัตยาสายัยวิเวกัทยาใสายอย่างนี้เป็นตนน้นอย่างมองพวกเราปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้เดนเดียว่าโอ้นี่มีอัตยาัยที่น้อมไปในกามนะเป็นกามมัทยาสายัยเป็นต้นนั่นนี่ ma, นี่ยคำมัตยาสัยมีน้อมออกจากกามนี่ พยาปาทไอโทสัทยาสายัยเห็นน้อมเข้าไปในโทสะเห็นจะรู้ทันทีประการต่อมาคือสมันตัจักู่ชื่อว่าเป็นสัพพัญยุตยานธรรมจักษูเป็นชื่อของมัรคยานทั้งเบื้องต่ำสามนะคำว่าธรรมจักษูเนี่ยธูรีมีราคาเป็นต้นของสัตว์เหล่าใดมีอยู่ในจักู่คือปัญญาน้อยตามในที่นี้กล่าวดันั่นแหละสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีธุลีในจักษุน้อย ธุรีนี่คือราคะโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยของสัตว์เราใดมีมากสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีธุลีในจักษุมากก็พิจารณาดูเราๆนะว่ามีธุลีมากหรือน้อยอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสัตว์ตินรียเป็นต้นเนี่ยของสัตว์เราใดแก่กล้าสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีอินทรีย์แก่กล้ามีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของสัตว์เราใดอ่อน สัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีอินทรีย์อ่อนอาการมีศรัทธาเป็นต้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของสัตว์เราใดนีอาการนั่นแหละของสัตว์เราใดดีสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีอาการดีถ้าใครมีสัตว์ทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทินทรีย์ปัญญินทรีย์น่ยมีอาการดีดีนะสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีอาการดีมีอาการดีกันไหมนั่งนั่งอยู่นี่ สัตว์เราใดย่อมกําหนดเหตุที่ท่านกล่าวไว้ว่าคืออาจทําให้เข้าใจโดยง่ายกําหนดอะไรต่างๆฟังอะไรเข้าใจแล้วสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้จะพึงสอนให้รู้ได้โดยง่ายพูดปุ๊บเข้าใจทันทีเลยเพอพูดปุ๊บความง่วงก็แทรกปุ๊บนี่ี่ไม่ใช่นะพูดปุ๊บความท้อถอยหดหู่ก็แทรกทันทีปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าไม่สัตว์เราใดย่อมเห็นปารโลกและโทษโดยความเป็นของน่ากลัวเห็นคุณโยมเห็นปาราโลกไหม คำว่าไปลโลกนี่เห็นโลกไหนเห็นโลกหน้าแล้วก็โทษโดยความเป็นของหน้ากลัวเห็นโทษเป็นเห็นโทษในสังสารวัฏโดยความเป็นของหน้ากลัวไหมสัตว์ล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีปกติเห็นปรโลกโทษโดยความเป็นของหน้ากลัวพิจารณาไปเห็นเป็นของหน้ากลัวไหมถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าดอกอุบลทั้งหลายมีอยู่ในธรรมชาตินี้เหตุนั้นธรรมชาตินี้ชื่อว่าอุปปรีณี่ยแปลว่ามีดอกอุบบน่ถ้าบอกว่า ดอกอุบลในกออุบลเนี่ยที่บอกว่าดอกบัวเหล่าใดเป็นของจมอยู่ภายในน้ําย่อมเจริญงอกงามเจริญอยู่ได้ดอกอุบลเหล่านั้นชื่อว่าจมอยู่ในน้ําอันน้ําหล่อเลี้ยงไว้อีกประการหนึ่งถ้าบอกว่าดอกอุบลตั้งอยู่พ้นน้ําคอยการสัมผัสรัศมีของพระอาทิตย์ดอกอุบลนั้นจะบานในวันนี้ดอกอุบลเหล่าใดตั้งอยู่เสมอน้ํา อ, อุบลเหล่านั้นจะบานในวันพรุ่งนี้ ดอกอุบลหรือดอกบัวเหล่าใดยังไม่ขึ้นพ้นจากน้ํายังจมอยู่ในน้ําอันน้ําหล่อเลี้ยงไว้ดอกอุบล น, นั้นจะบานในวันที่สามและแม้ดอกบัวอื่นที่ยังไม่ขึ้นพ้นจากน้ําซึ่งชื่อว่าเป็นดอกบัวที่มีโรคเป็นต้นก็นยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีบัวเหล่าใดที่จักไม่บานจักเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าอย่างเดียวบัวเหล่านั้นไม่ขึ้นสู่พระบาลีนะแต่ก็ควรจะนํามาแสดงไว้เพราะเหตุ น, นั้นน่ะ ท่านจึงไม่ประกาศไว้ในอัตถกถาบุคคลสีจ่จำพวกคืออุคติตันยูวิ ป, จ, วปจิตันยูเนยยาปะทะประมะเหมือนดอกบัวสีเหล่าบุคคลใดย่อมตัสิรู้ทมได้พร้อมกับเวลาที่ยกธรรมเทศนาขึ้นแสดงบุคคลนั้นตั้งมาติกาโดยยอดโดยในว่านี้คือสติปัฏฐานสี่ดังนี้คนกระส่งยานไปตามธรรมเทศนาสามารถบรรลุปเป็นผ้าลาหันได้บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าอุคติตัญยูส ฟังแค่ว่านี้สติประฐานสี่สมประธานสี่อิทิบาสีอินทซีห้าพละหา้าโพชงเจ็ดอริยมรตมีองค์แปดฟังแค่นี้บรรลุเลยตั้งมาติกาขึ้นอย่างเงี้ยอย่างภาษาริบุตรใช่ไหมทําเราได้มีเหตุเป็นเดนเกิดพระผู้มีภาคเจ้าตรัสถึงเหตุแ ล, และความด่าเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพระสมณามีปกติตัดอย่างนี้เนี่ยโสดาปฏิมคโซดาบันโพพวดขึ้นมาทันดีเลยเนถ้าอย่างนี้ใช้อุคติ ยังเราท่องได้หลายรอบเลยนี่เขาเริ่กรู้ฉับพันบุคคลใดเมื่อจําแนกเนื้อความแห่งภาษิทธิ์ที่ได้กล่าวไว้โดยพิศดารจึงมีการตัดรู้บุคคลนั้นชื่อวิปปจิตตัญยูผู้ค่อยๆรู้ตามอย่างเราเนี่ยถามว่าจําแนกโดยพิศดานหลายรอบแล้วก็ยังมึนๆอยู่นี่เลยให้คิดหนักเลยนะให้คิดหนักเลยเนยจําแนกแล้วจําแนกอีกก็ยังน่าสงสัยน่าสงสัยนี่นะ เป็นผู้มีวิจิกริชาและก็ความลังเลสงฆ์และความประมาทบุคคลใดเมื่อสอบถามโดยอุเทมศมานสิการโดยอุบายแยบคลายเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้กลยานมิตรทั้งหลายให้สังเกตดูนะบุคคลที่สามเนี่ยนะบุคคลใดสอบถามอุเทมศมานสิการโดยอุบายอันแยบคลายเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้กลยานมิตรทั้งหลายจึงมีการตัดสรุปได้โดยลําดับ บุคคลนี้เรียกว่าในยะบุคลบคลผู้ควรจะแนะนำได้คือน้อมก็หาการยานามิสอย่างเดียวเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะเสพครบหาสมาคมฟังแล้วฟังอีกอยู่แล้วแล้วเราเาเนี่ยยมีโอกาสแทงตลอดได้นี่เรียกในยะบุคคลที่พอแนะนำได้บุคคลใดแม้เมื่อฟังมากแม้เมื่อกล่าวมากแม้เมื่อทรงจำมากแม้เมื่อสอนมาก ก็ไม่มีการตัดสู้ทำได้ในชาตินั้นไม่สามารถจะยังมากผลโดยในที่สุดฌานและวิปัสสนานีจะยังวิปัสสนาให้บังเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นได้บุคคลนั้นเรียกว่าปัฏประมะผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งคือสอนยากปัญหาก็คือให้สังเกตตัวนะ้ปัฏประมะเนี่ยผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งคือสอนยากเนี่ยนะ ถ้าบอกว่าเป็นผู้ที่บอกว่าบุคคลใดแม้ฟังมากกล่าวมากแม้ทรงจําไว้มากแม้สอนมากก็ไม่มีการตรรู้ทำได้ในชาตินั้นไม่สามารถจะยังมักหรือผลโดยในที่สุดในตรงนี้สําคัญเนะี่ยฌานแล้ววิปัสสนาให้บังเกิดขึ้นในอัตภาพได้ทำวิปัสสนาต้นๆเนี่ยให้บังเกิดขึ้นในอัตภาพได้บ้างไหมถ้าไม่ได้เลยเนี่ย ถ้าไม่ได้เลยเนี่ยบุคคล น, นั้นเรียกว่าปัทถปาระมะผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งคือสอนยากทีนี้ในบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นนะนะพระบรมศาสดาเนี่ยตรวจ ด, ดูในหมื่นโลกธาตุเหมือนกับดอกบัวเป็นต้นน่ยทรงเห็นอุคติตันยูบุคคลเปรียบเสมือนดอกบัวที่จะบานในวันนี้วิปจิตตันยูเปรียบเสมือนดอกบัวที่จะบานในวันพรุ่งนี้เนยยะซึ่งเปรียบเสมือนดอกบัวที่จะบานในวันที่ส ส่วนปทาประมากบุคคลซึ่งเปรียบเสมือนดอกบัวจะเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าเมื่อทรงเห็นก็ได้ทรงเห็นอาการทั่วทั่วว่าบุคคลผู้มีธุลีในจักรสูน้อยมีจํานวนเท่านี้บุคคลผู้มีจักรสูมากมีจํานวนเท่านี้แม้ในบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้เป็นอุคติตัญยูมีจนนํานวนนี้แยกละเอียดพิจารณา น, นับได้เลยในในนั้นในขณะนั้นรู้ทันทีเลยว่าจะตัดจรู้เท่าไหร่ แล้วเป็นอุคติตันยูเท่าไรนิวิปปจิตันยูเท่าไรนิยะเท่าไรปัทะปรามาเท่าไหรในแยกละเอียดละอ่อนหมดเลยในนั้นในบรรดาบุคคลทั้งสี่จำพวกนะั่นะนะ่นะไอตรงนี้จริงจริงน่าศึกษาใช่ไหมน่าศึกษาจะได้ไปเปรียบเทียบตนเองใช่ไหมจะได้ไม่ทุกข์ใจเข่าอ่อน <c oughs> ดังนั้นเดี๋ยวไปทุกข์ใจแย่เลยทําไมเราฟังไม่เข้าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวมองโดยเองไหมฮะจะได้ไม่ จะได้ไม่ต้องทุกข์อะไรมากถ้าทุกข์ใจมากๆก็ไปดูปลาในทะเลแล้วก็บอกว่าเรายังมีเพื่อนอีกเยอะอะไรเงี้ยรอแต่อันี้ก็ขอชื่นใจนะมันเยอะจริงอันหนึ่งในบรรดาบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นพระธรรมเทศนาของพุทธเจ้าย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จในอาตภาพนี้โดยแก่บุคคลสามเหล่านะคืออุคติวิปจีและกันเยยะ สำหรับปัททะปรมาย่อมเป็นผู้มีวาสนาเพื่อประโยชน์ในนาคต t นะเออตรงนี้ก็พอจะย่อมใจได้บ้างอนะคือตั้งเพื่อให้ตั้งอัธยาศัยเขาไว้เพื่อจะได้เป็นปัจจัยในนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคทราบการแสดงธรรมเทศนานํามาประโยชน์ให้กับบุคคลสี่จำพวกเหล่าเนี้ก็ยังยังความประสงค์แสดงทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ทรงแบ่งสัตว์ในภพทั้งสามทั้งหมดเป็นสองจำพวก คือแบ่งสัตว์ทั้งสาในภพทั้งสามในการมาพบรูปประพบอรูปประพบเนี่ยพระองค์แบ่งออกเป็นสองยงพวกคือพัพพาสัตว์แล้วก็อภพพภาสัตว์ซึ่งทรงหมายถึงว่าตรัสไว้ว่าสัตว์เหล่าใดประกอบด้วยเครื่องด้วยเครื่องกลางกั้นคือก่อมประกอบด้วยเครื่องกลางกั้นคือวิบากประกอบด้วยเครื่องกลางกั้นคือกิเลสไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะมีปัญญาสามไม่ควรเพื่อจะอย่างลงสู่สมมติตานิยามในกุศลธรรฐฐมทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นอภพพภาสัตว์ ผู้ไม่ควรแก่การตัดสุขมีนะนนพระพุทธเจ้าแยกแยะไว้ทันทีเลยว่าโอ้เนี่ยสัตว์เราใดเป็นอาภัพ菩萨สัตว์สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นพระภสา菩萨ควรแก่การตัดสุ้เป็นเไห น, นสัตว์เราใดไม่ประกอบไปด้วยเครื่องกลางกัน้นคือไม่มีกรรมเป็นเครื่องกลางกัน้นไม่มีวิบากเป็นเครื่องกลางกัน้นไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกลางกั้นแล้วก็มีศรัทธามีฉันทะมีปัญญาดีควรแก่การจะย่างลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรธรมทั้งหลายได้ สัตว์ชื่อว่าพับพาสัตว์ผู้ควรแก่การตัดตรู้อ่างนั้นในพับพาบุคคลและอภพพาบุคคลเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงละอภพพาบุคคลนั้นเสียละทิ้งไปใช่ไหมก็ต้องจําแนกแบบเนี้การที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรเนี่ยละอภพพาบุคคลเหล่านั้นทรงกําหนดเอาพับพบุคคลอย่างเดียวด้วยยานแบ่งเป็นหกส่วนคือพวกที่เป็นราคะจริตจํานวนหนึ่งพวกที่เป็นโทสะจริตก็เท่านี้พวกที่เป็นโมหะจริตเท่านี้ พวกที่เป็นวิตกาจริตพวกนี้พวกที่เป็นสัทธาจริตพวกที่เป็นพุท ธ, ธิจริตเท่านี้เท่านี้นะก็ทรงดำบลิว่าเราจัดแสดงทำในอธิการนี้พึงเห็นสัตว์เหล่านั้นน้อมปรากฏในกลุ่มแก่พระผู้มีภาคเจ้าก็ทรงลำพึงว่าโดยเป็นบุคคลผู้มีในจกักมีมีทุลีในจักสู่น้อยเป็นต้นและเป็นพระผ้ า, าบุคคลเป็นต้นหาปรากฏเป็นใครไม่ถ้าลักษณะงี้พระเจ้าก็พิจารณาดูแล้วว่าใครน้อจกได้บรรลุธรรมนะ แปลว่าพระพุทธเจ้าแยกแยะบุคคลเบ็ดเสร็จแล้วก็แสดงระธรรมเทศนาให้เหมาะสมแก่จริตของบุคคลเหล่านั้นอย่างเราทั้งหลายที่ไม่ทราบจริตอัตยาสายอนุสัยของตนเองอย่างนี้นะเรียนมามายุคนี้ฟังให้มากอย่าไปฟังนล่นๆแล้วก็ <c oughs> เด่นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเสียหายเลยยุคนี้จะเสียหายนะต่อมาพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเปิดอมตอมตเปิดประตูอมตะใช่ไหมอะไรเป็นตัวเปิดได้แก่อริยมรร อริยมรรคนั้นเป็นประตูของพระนิพพานกล่าวคื้อมาตะนะั้นพระพุทธเจ้าแสดงว่าอริยมรรคนั้นเราได้เปิดตั้งไว้แล้วเพราะเราได้บรรลุด้วยสยามภูญานอันมีพระมหากรุณาเป็นอุปนิสัยคำว่ามีอุบมีมหากรุณาเป็นอัตยาศัยเป็นอุปนิสัยเนี่ยเป็นประตูบณิสยปัจจัยกับพวกเราเนะสัตว์ทั้งปวงจงปล่อยคือจงหลังจงประกาศศรัทธาของตน จงยังอาการคือความเชื่อข้คนให้ตั้งอยู่ในธรรมที่เราแสดงแล้วและในเร า, ร พ, ธธร า, านะพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เปิดศรัทธาออกมาให้เอาศรัทธานั้นตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็ตั้งอยู่ในเราคือพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ตั้งอยู่ในฉันนะคือพระพุทธเจนะ้านั้นอย่าไปขยับอย่าไปกักศรัทธาทนเองไว้ปล่อยศรัทธาออมาในเตาโดยมากเราไม่ค่อยน้อมใช่ไหมไม่ค่อยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้า เราจะกล่าวซึ่งทำอันปณีตอุดมนี้ซึ่งคล่องแคล่วแก่ตนเองแม้ให้เป็นไปอย่างดีแล้วแต่แบบนี้ชนทั้งปวงจงน้อมนําพาชนะคือศรัทธาเข้ามาเราจะยังความดำริของเขาเหล่านั้นให้เต็มเมือแล้วก็บูชาพระศาสดาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นคือถ้าถามบอกว่าเราจะกล่าวซึ่งทำอันปณีตและอุดมซึ่งคล่องแคล่วแก่ตนเองให้เป็นไปอย่างดีชนทั้งปวงจงน้อมเอาภาชนะ คือจงยังศรัตนั้นเพื่อตั้งเพื่อเป็นภาชนะรองรับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สังเกตนะเวลาเราฟังธรรมเนี่ยเราทําศรัทธาให้ตั้งมั่นกันไหมทําดีไหมทําอย่างตั้งมั่นสม่ําเสมอไหมคอยสังเกตปรับอินทรีย์ตัวเองให้คล่องแคล่วอยู่ตลอดเวลาเรือเอ๊ะทําไมกล่าวอย่างนี้เนาะเอ๊ะมันจะอะไรเงี้ยอย่างนี้เนาะให้ตั้งศรัทธาเขาไว้ให้เหมือนเป็นภาชนะ นี่เป็นอย่างนี้นะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำลำพึงด้วยประกอบด้วยการเราจัดแสดงทำแก่ไครก่อนเนาะเนี่ยต่อมาพระเจ้าก็ดำรีเลยหลังจากนั้นนะนะต่อมาคิดถึงใครคิดถึงอาราลาดาบทและอุทกาดาบทพอพิจารณาในลักษณะอย่างนั้นก็พาะพิจารณาถึงว่าเป็นบัณฑิตใช่ไหมทำที่จะบรรลุและความเป็นพระหูสื่อสุนเ็จด้วยการได้สมาบัตดเป็นคนฉลาดประกอบไปด้วยความเป็นผู้ฉลาด ทีนี้พอพิจารณาไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทราบด้วยญาณ น, นวิถีว่าทราบได้ยังไงพระองค์ทราบว่าอาราธดาบทอุทกาดาบทนั้นน่ะถึงการมรณนะคือตายแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าในระหว่างเจวันนั้นมีอยู่อาราธดาบทนั้นเหตุ น, นั้นอาราธดาบทชื่อว่ามีความเสื่อมใหญ่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงว่าอาราธดาบทนั้นเกิดในขณะอันไม่สมควร แม้เท้าที่จะเดินมาสู่สถานที่พระธรรมเทศนาในโลกนี้ก็ไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะพึงไปในอากินจัญญาญตนาพรมนั้นอาราละลาบทนั้นก็ไม่มีแม้แต่โสตับาศาสตรเพื่อจะฟังธรรมที่เราไปแสดงอยู่อาราดาดาบทจึงเป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่อย่างนี้อย่างนั้นนะคือพระพุทธเจ้าพิจารณาคําว่าเสื่อมใหญ่มหาชนิโยอชิหายใหญ่เสื่อมใหญ่นั่นเองแท้จริงไอ ทุลีคือกิเลสในจักสู่ของ阿อาระดาบทและอุทธกาดาบุตร น, น้อยนิดนะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพิจารณาดูแล้วว่าในอากินจัญญายาตนะพบที่ตนเองจะไปน ะ, นะไม่สามารถถ้าถามบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงสามารถเพื่อจะยัง阿拉าระดาบทให้รู้ธรรมด้วยอพุทธานุภาพด้วยพระอองง เ, เด้วยพระองค์เองหรือเนี่ยตอบว่าใช่ไม่สามารถเพราะอะไร เพราะการตรัสรู้ธรรมย่อมมีแก่ภาษาวกทั้งหลายโดยเว้นซึ่งการประกาศจากคนอื่นก็หาไม่ได้เมื่อถือเอาความโดยประการอื่นการตรัสรู้ธรรมจะพึงมีได้แก่บุคคลเว้นจากปัจจัยนอกนี้ข้อ น, นั้นจะมีอยู่หามิได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิมีอยู่สองอย่างหนึ่งการประกาศจากคนอื่นสองการมาในสการโดยอุบายแยบคลายในภายในทีนี้อาราละดาบทเนี่ยฟังไม่ได้ ฟังจากคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมอาจจะมีโยนิสโสมนัสิการอยู่แต่ก็มนัสิการไม่ถูกแล้วเพราะไม่ได้ฟังเพราะภาษาว o นั้นน่ยจะต้องอาศัยปัจจัยสองอย่างคือกัลยาณมิตรภายนอกและกัลยาณมิตรภายในคือโยนิสโสมนัสิการแต่บุคคลที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือปัจเจกพุทธเจ้าอาศัยโยนิสโสมนสิการกัลยาณมิตรภายในอย่างเดียวไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก ก็สามารถแทงตลอดอายุยืนได้คําว่าอุทกกาเป็นชื่อของดาบทนั้นดาบดัชนี้นชื่อว่ารามบุตรเพราะความเป็นบุตรของลามาเนะ่ยเส้นชีพเมื่อตอนเที่ยงคืนยานเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงกระทําการตกลงพระไทยตามคําเทวดาที่กราบทูลว่าตรวจดูด้วยสัพพัญยุตยานนะก็ได้ทรงเห็นว่าอุทกกาดาบดัรนามบุตรเส้นชีวิตเมื่อคืนวานนี้เอง บังเกิดอยู่ในชั้นเนวาสัญญานาสัญญายัตนาพรมเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ามหาชนิโยวเสื่อมใหญ่เหมือนกันทาพิจารณาอย่างนี้นะก็แปลว่าทั้งสองท่านหมดโอกาสแล้วเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงตัดภิกษุปัญจวัคคีย์มีอุปการะแกเรามากต่อมาพุทธเจ้าก็ไปพิจารณาถึงถึงไปัญจวัคคีย์ใช่ไหมพูดถึงปัญจวัคคีย์บอกว่า บอกว่าพรามเหล่านั้นรู้มนทั้งหลายบอกว่าคือถามว่ า, วาไม่ทรงแสดงก็หาไม่พู้ท่งตรวจดูอาราลาดาบทกาลามโคดอุตกาดาบทลาบด้วยอํนานาจแห่งความคุ้นเคยก็ในพุทธเขตนี้เว้นอัญญากรทัญญาและคนอื่นที่สามารถจะทําให้แจ้งซึ่งตามก่อนไม่มีเพราะอะไรเพราะความที่อัญญากณัญญาเป็นผู้มีอุปนิสัยอย่างนั้นในการก่อนทําไมว่าัญญากรทัญญาเนี่ยจึงเข้ามาในข่ายพยานของพุทธเจ้านะ หลังจากอุทกาศดาวบทอาราแลาบทเนี่ยทำไมท่านนี้เข้ามาคืออัญญากนธัญญาเนี่ยท่านเป็นผู้ทําบุญไว้ในการก่อนอันนี้โดยใจความย่อๆเลยนะพี่น้องท่านเกิดในการก่อนเนี่ยพี่น้องชายอยู่สองคนเขาทั้งสองก็ให้ทานร่วมกันในสองคนนั้นเน่ยคนพี่มีความคิดว่าเราจะถวายทานข้าว ก, ากล้าเลอดเก้าครั้งในหน้าข้าวคราวหนึ่งเขาก็ได้ถวายทานชื่อว่าส่วนนั้นเลือดพืชในเวลาที่เขาหวา่าง ได้ปรึกษาน้องชายในเวลาข้าวตั้งท้องว่าเราจะฉีกข้าวสาลีกำลังท้องในเวลาข้าวที่กำลังท้องในถวายทานน้องชายตอบว่าพี่อย่าทำข้าวกล้าเสียหายเลยคือแกบอกว่าเนี่ยข้าวมันตั้งท้องเนี่ยก็จะฉีกเอาในขณนะที่ตั้งท้องเนี่ยมาทำอาหารมาทำขนมทำอะไรต่างในถวายพระว่าเน้อส่วนส่วนน้องบอกอย่าไปทำให้ข้าวเสียหายพี่ชายรู้ว่าน้องชายไม่ยอมทำตาม จึงได้แบ่งนากันคนละครึ่งเลยบอกทางนั้นคนละส่วนกันก็แล้วกันแล้วก็ฉีดข้าวสาลีที่กําลังท้องส่วนของตนเนี่ยนําน้ํานมข้าวมาปรุงเป็นเนยไสนะกับเนยไสน้ําอ้อยถวายถึงขั้งถึงหน้าข้าเมาก็ได้ทําเข้าเม่ามาถวายถึงหน้าเกี่ยวข้าวก็นําข้าวมาถวายเหมือนกันคือแต่ละหน้าน่ยข้าวได้ระดับไหนทําออกมาหมดเลยมาถวายไปตามดับจนครบเก้าครั้ง ในหน้าข้าวหนึ่งก็ทํำข้าวหนึ่งมาถวายเป็นต้นเล้เนี้ยในพี่น้องสองคนนั้นคนพี่เกิดเป็นโกนัญญาครามเออกิดเป็นอั ญ, ญาโกนัญญาคนน้องเกิดเป็นสุดทัศพสุพัทธาปริบาชกเห็นไหมต่างกันเลยคนน้องได้บรรลุองค์สุดท้ายตอนได้เห็นพระพุทธเจ้าทันแเนะ่ยเพราะว่ามาทําครั้งสุดท้ายครั้งเดียวเลยแต่คนัญญาถามว่าในการที่สร้างบา ร, รมีมานั้นเนี่ยของว่าโพธิสัตว์ทั้งสาม พวกสุดยอดบุญบรารมีไม่ใช่จะมีวิบากหนักอย่างเดียวเว้นจากการกระทําให้แจ้งตึงบุคคลอื่นว่าไงพิสูจน์ปัญญวคิคีเป็นผู้มีโอกาสมากเกลรานี้เพราะผู้ในภาคเจ้าตัดไว้ด้วยเพียงระลึกถึงอุปการะเท่านี้ถ้ามองอย่างนี้นะเพราะความที่เป็นไปในที่สุดแห่งสาวกบรารมีอันให้เป็นไปด้วยความสมควรแก่แก่พินิหารเพื่อความเป็นสาวกผู้เลือดแห่งพระเถละผู้เป็นรัตตันยูคืออัญญากลตัญญะท่านได้ประพฤติมา ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ระลึกแทย์แค่ปัจจุบันพระพุทธเจ้าระลึกแม้แต่ในอดีตชาติที่ผ่านมาด้วยนะนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นประการต่อมาทําไมพระพุทธเจ้าจึงสเสด็จไปนะ่ะป่ายสิ ป, ปตนาะบรกทายวันเนี่ยนะในประเทศนั้นเมื่อครั้งพุทธบาทตการยังไม่ปรเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นตอนนั้นพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นเนี่ยพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ ได้ยับยั้งอยู่ด้วยนิโรธาสมาบัติเจ็ดวันนะภูเขาคันธมาศเคี้ยวไม้ชำระฝานชื่อนารดาแล้วเราล้างหน้าทิสาโนดาถือบาทและจิวรสเสด็ จ, จากอากาศลอยลงห่มจิวรณ่านะที่นั้นเที่ยวบินทบาตในเมืองกระทำพัา พ, พัฒกิจแล้วก็เหาะขึ้นจากสถานที่เหล่านั้นพวกฤาษีย่อมลอยลงเหาะลงณนะสถานที่ดังนี้ ก็แปลวเป็นที่เหาะลงของพอระปัจเจกับพุทธเจ้าคแล้วก็เหาะขึ้นหนึ่งต้นเนี่ยเขาจึงเรียกว่าป่าอิสิปัตนาเมาลึกกยาวันเออถ้ามาคิดอย่างนี้นะพระปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางไม่อุบัติเกิดขึ้นถ้าถ้ายังไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าสามารถเกิดสถานที่เหล่านั้นจึงชื่อว่าอิสิปัตนะส่วนที่เรียกว่ามิกทายะเพราะเป็นสถานที่พระราชทาน แก่เนื้อทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ความไม่มีภัยนะด้วยเหตุนั้นท่านจึงบอกว่าป่าอิสิปตนะเมรุกัทายวันพระพุทธเจ้าทั้งหลายองค์อื่นๆเมื่อจะเสด็จไปเพื่อประโยชน์แก่การแสดงธรรมครั้งแรกก็จะเสด็จไปทางอากาศณสถานที่นะั้นคือว่าถ้าพระพุทธเจ้าจกไปแสดงธรรมเนี่ยทุกๆพระ อ, องค์ที่ผ่านมานีหลังจากตัสรูปปุ๊บนี่นีเสวยมรดิศกี่สิบเก้าวันเนี่ยนะถ้าจะไปโปรดใครเนี่ยพระพุทธเจ้าจักเหาะไปเพราะระยะทาง18โยชน์ จากบริเวณโพธิมณฑลไปจนถึงธรรมิกาสถูบที่ป่ากสิปตนามรุกัายวันเนี่ยสิบแดยอดยอดละสิบหกกิโลเมตรนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่เดินหรอกจะไปทางอากาศแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเดินไปองค์นี้นะเดินไปถ้าเรามองตรงนี้เนี่ยเราจะยิ่งศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมากๆเลยเนี่ยทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ไปทางอากาศ พราะพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายทรงเห็นอุปนิสัยของอุปการที่ชื่อว่าอุปการพระทรงทราบว่าอุปการเดินทางสายนี้เธอเห็นเราแล้วสนทนากับเราแล้วเนี่ยจะไปขั้นภายหลังกับเบือนนายก็จะทําให้แจ้งซึ่งอรหัตผลจึงได้เสด็จพุทธดําเนินด้วยพระบาทตลอดระยะเวลา18โยชน์ด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจึงจาริกไปพราณาศีด้วยพระบาทเปล่าถ้าอย่างเราจะทํำยังไง ฉะนั้นการทํางานของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีตารางหมดเลยในพระราชธรรมไทยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะวางโปรแกรมไว้หมดเลยไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปให้เสียหายด้วยถ้าหากก็ไปปุ๊บนี่นะก็จะทําให้บุคคลนั้นนะ่ะเสียประโยชน์ไปเลยอุปการได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าระหว่างโพธิสถานและแม่น้ําขยานนะได้พบพอได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะ อุปกาบอกว่าก็ถามใช่ไหมพอเห็นพร ะ, พระผู้พระพุทธเจ้ า, จาดำหลี่ว่าเราจะแสดงธรรมเป็นต้นเหล่านั้นนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยอุปการทักขึ้นเลยบอกอาวุโสทักอย่างนี้คือทักแบบไม่ค่อยเคารพเนอเรียกพระพุทธเจ้าบอกอาวุโสบอกว่าท่านบวชจอดจงท่านผู้ใดใครเป็นาศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครคันแล้วพระผู้มีภาคเจ้าก็ได้ตัดแก่อุปการชีวกว่า เราเป็นผู้ทำลายทมทั้งปวงได้รู้ทมทั้งปวงตัณหาและทิฏฐิชาวทาทั้งปวงไม่ได้แล้วละทิ้งทมในภูมิสามได้หมดหลุดพ้นได้เพราะทมเป็นที่สิ้นไปถึงตัณหาแล้วเนี่เราตัดรู้ได้โดยปัญญาอยิ่งจะไปอ้างใครอีกเราตรงนี้หมายถึงอะ้รจากบริเวณโพธิสถานนี่นะระหว่างทางเนี่ยนะตอนนั้นอุปกะชีวกเนี่ยเห็นอินทรีย์ เห็นจกักขุนรีโสตินทรียคาณินรียชิวหินรียกายินรีย์มณินศีย่เห็นอินรีเนี่ยผ่องใสเห็ hn, นอินทรีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยผ่องใสบริสุทธิ์คือไม่มีโทษเน่นะนะผุดผ่องอุปการชีวกก็เลยบอกโอ้ผิวพันธุ์เนี่ยงามจริงๆรว่างหาว่างั้นนะเมื่อเห็นพระบ ร, รมศา ส, สดาอย่างนั้นนั่นแหละจึงรู้ความที่อินรีย์นั้นผ่องใส ย, ยิ่งนักนี้เป็นปัญญาที่ถือเอาโดยในของอุปการนั้นนะและจึงถามในลักษณะอย่างนี้ว่า จึงถามบอกว่าท่านบวชเจาะจงท่านพูดได้ใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสัพาพิภูเป็นต้นเนี่ยนะสัพาพิภูสัพพวิทูหามสมีเป็นต้นคําว่าสัพาพิภูก็แปลว่าเราครอบงาําธรรมันเป็นไปในภูมิทั้งสามตั้งอยู่ธรรมที่เป็นไปในกามาภูมิรูปภูมิและรูปภูมิเนี่ยเราครอบงาได้แล้วเราครอบงําได้แล้วตั้งอยู่ และเราก็ได้รู้ได้เข้าใจซึ่งธรรมที่เป็นไปในภูมิทั้งสี่ด้วยนะธรรมที่เป็นไปในการ ม, มาวาจรภูมิรูปาวาจระภูมิมารูปาวาจระภูมิโลกุตตะภูมิเนี่ยพอละเครื่องกั้นเยยธรรมได้หมดแล้วละธรรมมันเป็นไปในภูมิสาทั้งปวงตั้งอยู่กุศลและอภิญากระตะแม้ธรรมที่ไม่พึงละก็ย่อมมีเพอละได้แล้วด้วยการละกิเลสอันเนื่องโดยกุศลและอภิญากตะเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงเป็นผู้อัละได้และเหมือนกันดวงนึ่ง ฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นไปในลักษณะอย่างถามบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รอบรู้อย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะพงอ้างใครเราเป็นอาจารย์ของเราขึ้นชื่อว่าอาจารย์ของเราในโลกุตละธรรมมีหรือไม่มีมีไหมไม่มีขึ้นชื่อว่าอาจารย์ของเราในโล ก, กุตรรรมมาาาละธรรมไม่มีจริงอยู่พระโลกานาฏในะย่อมมีการบรรลุแม้ในโลกียธรรมทั้งหลายเช่นใดการบรรลุเช่นนั้นจะมีการเรียนคือ คนอื่นเป็นผู้แนะนำก็หาไม่ได้โดยที่แท้ถึงอย่างนั้นแม้ข้ออ้างแห่งการบรรลุนั้นโลกุตละธรรมก็ไม่มีถ้าถึงบอกบุคคลผู้เปรียบเทียบบอกว่าประการต่อมาก็บุคคลที่เปรียบเทียบเราโดยศีลคุณสมาธิคุณปัญญา